ได้ดูคลิปวิดีโอเรื่องหนึ่งนะไม่ยาวไม่ถึงนาทีแต่ว่าให้ข้อคิดเตือนใจแล้วก็ตั้งคำถามให้กับผู้ชมได้นะเป็นอย่างดีคลิปนี้เนี่ยนะมันเป็นมันมีภาพสองภาพอยู่ชิดกันนะซ้ายกับขวาแล้วก็เดินเรื่องไปพร้อมๆกัน เป็นเรื่องของชายสองคนซึ่งอายุ ป, ประมาณสัก80กว่าหน้าตานี่ก็เหมือนกันเดะเลยนะเพราะว่าใชา้ผู้แสดงคนเดียวกันแต่ว่าเมียกับกิริยาแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าตรงข้ามกันเลยคลิปนี้ก็เริ่มต้นจากการที่คนทางซ้ายมือเนี่ยสวมรองเท้ากีฬา การที่คนทางขวามือสวมรองเท้าแตะที่เห็นในโรงพยาบาลแล้วต่อมาคนซ้ายมือนี่ก็เดินลุกนะเดินออกจากเดินออกจากบ้านลุกจากเตียงอย่างกระฉับกระเฉงการที่คนทางขวามือเนี่ยนะลุกจากเตียงพยาบาลอย่างระหวยร่อยแรง คนซ้ายมือเนี่ยกำลังขี่จักรยานแต่คนขวามือเนี่ยนั่งรถเข็นคนซ้ายมือนี่ขี่จักรยานนะด้วยตัวเองแต่คนขวามือเนี่ยนะมีคนเนี่ยเป็นพยาบาลคอย ผลักรถเข็นภาพตัดไปเนี่ยนะซ้ายมือเนี่ยคนซ้ายมือก็ไปเที่ยวเนี่ยสถานที่สำคัญแต่ว่าคนขวามือเนี่ยกลับอยู่ในห้องแคบแคบในโรงพยาบาลเห็นได้ชัดว่าเป็นห้องผู้ป่วยนะที่เรียกว่าสำหรับคนนอนติดเตียงหรือว่าป่วยหนัก กับซ้ายมือชายแก่กำลังคุยเล่นนะกับหลานตัว น, น้อยๆอย่างมีความสุขส่วนคนขวามือกำลังคุยกับพยาบาลคนซ้ายมือกำลังกินข้าวอย่างอเด็ดอร่อยแต่คนขวามือกินยาเป็นกรรมเลยแล้วเขาก็ ลำดับภาพต่อไปนะซ้ายมือเนี่ยกำลังสวมเนคไทจะไปงานไหนสักงานนึงเนี่ยแต่คนขวามือนี่ขยับท่อช่วยหายใจต่อมาคนซ้ายมือเนี่ยก็กำลังสวมนาฬิกาแต่คนขวามือเนี่ยกำลังใส่ข้อ รับมือผู้ป่วยนะที่บอกว่าผู้ป่วยนี้ชื่ออะไรเป็นใครนะอายุเท่าไหร่เป็นโรคอะไรแล้วก็มีภาพต่อไปนะคนซ้ายมือนี่กำลังกินอาหารกับครอบครัวยังมีความสุขเหมือนกับว่ากำลังมีงานเลี้ยงอะไรสัก ง, งานหนึ่ง แต่คนขวามือเนี่ยอยู่ในห้องผู้ป่วยอย่างงอยเงากับผู้ดูแลซึ่งอาจจะเป็นภรรยาในภาพเนี่ยนะในคลิปเนี่ยคนซ้ายมือเนี่ยจะมีความกระฉับกระเฉงมีชีวิตชอว่ามีความเบิกบานแจ่มใสไม่ว่าเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนในทางตรงข้ามในคนซ้ายมือนี่ อ่อนระหดโรยแรงแล้วก็หน้าตาก็ห่อเหี่ยวยิ่งอันนั้นเนี่ยคนซ้ายมือเนี่ยนะเขาก็อยู่ท่ามกลางคนรักซึ่งยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนเลยในหาที่คนขวามือเนี่ยก็มีแค่อาจจะเป็นภรรยาที่อยู่ข้างๆ คงเป็นผู้ดูแลด้วยแล้วก็สีหน้าก็วิตกกังวลเศร้าหมองทั้งหมดนี้เขาก็ถ่ายฉายให้เราเห็นในเวลาไม่ถึงนาทีนะมันเป็นภาพตัดกันแล้วก็มีคำบรรยายไม่มากแต่คำบรรยายตอนท้ายนี่เขาก็จะบอกว่าเนี่ยคนคนาดาเนี่ย โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยใช้ชีวิตสิบปีสุดท้ายอยู่กับความเจ็บป่วยนะคลิปนี้นี่ก็ทำโดยหน่วยงานสุขภาพในแคนาดาที่เชื่อเห็นถึงชีวิตสองแบบนะคือชีวิตของคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายนะอาจจะเป็นโรคหัวใจ หรือไตวายหรือโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองแล้วก็อยู่อย่างโดดเดี่ยวในโรงพยาบาลหรือมิฉะนั้นก็นอนติดเตียงวิธีชีวิตหนึ่งก็เป็นวิธีชีวิตของคนที่มีความกระฉับกระเฉงมีความปกติสุขนะอยู่กับคนรักครอบครัว ได้ได้ทำสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วก็มีคามํญญาบรรยายว่าเนี่ยในตอนท้ายว่าถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจนะตัดสินใจว่าอะไรตัดสินใจว่าจะเลือกชีวิตแบบไหนก็อย่างที่เขาบอกนะตอนท้ายว่าเนี่ยคนแคนาดาเนี่ยสิบปีสุดท้ายเนี่ยของชีวิตเนี่ยอยู่ความเจ็บป่วย จริงมันไม่ใช่เฉพาะคนแคนาดานะมันจะเรียกว่าผู้คนทั้งโลกเลยนะโดยเพราะคนในสังคมที่มีอา จ, จะกินอันนี้ก็รวมถึงคนไทยด้วยทุกวันนี้เนี่ยคนรุ่นเราเนี่ยนะหรือว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ย มีอายุยืนยาวกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยไม่น้อยกว่า10ปีนะอันนี้ไปถึงอายุคาดเฉลีย่ยหรือายุเฉลีย่ยอย่างคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราหรือว่ารุ่นปู่ย่าตายายจะอยู่ได้โดยเฉลี่ยนะก็60กว่าแต่คนรุ่นนี้เนี่ยอยู่ได้มากกว่านั้น น, ะนับ10ปีหรือ10กว่าปี แต่บอกว่าอายุที่ยืนยาวมากกว่าคนรุ่นก่อนๆเนี่ยสิบปีเนี่ยนะมันเป็น10ปีแห่งความทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานก็ดีโรคหัวใจก็ดีมะเร็งก็ดีซึ่งมันก็ทําให้น่าคิดนะว่าจะมีชีวิตยืนยาวไปทําไมนะในเมื่อในชีวิตที่ยืนยาวกว่าคนรุ่นก่อนเนี่ย มันไม่ได้สุขสบายเลยนะมันเป็นชื่อที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บแล้วคนอาดานคนคคนาดานี่ก็โดยเฉลี่ยก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเขากำลังจะบอกเราว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงเอยในวัยชาราด้วยความเจ็บป่วยนอนติดเตียงหรืออยู่ห่างโดดเดี่ยว กนะับพยาบาลก็ได้เราสามารถจะมีชีวิตที่แตกต่างจากนั้นได้ในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของโชคนะการที่คนเราเนี่ยจะสามารถมีชีวิตที่มีชีวิตในวัยชาราที่กระฉับกระเฉงสดชื่นแจ่มใสมันไม่ใช่เพราะโชคนะแต่มันเป็นเพราะกรรมนะ กรรมในที่นี้หมายถึงการกระทํามายถึงการใช้ชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวว่าเราใช้ชีวิตแบบไหนและนี่แหละคือเหตุผลที่เขานะบอกเราว่าเนี่ยตอนนี้ถึงเวลาต้องตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนหรือเราอยากจะลงเอยนะในช่วงวัยชาราเนี่ยแบบไหนแบบภาพทางขวามือ คือคนป่วยนอนติดเตียงหรือคนทางซ้ายมือซึ่งมีชีวิตที่ปกติสุขตามวัยนะมีความกระฉับกระเฉงและถ้าจะเลือกนะชีวิตยอย่างทางซ้ายมือเนี่ยนะมันก็ต้องตัดสินใจแล้วนะว่าจะทำอย่างไรถึงจะมีชีวิตแบบนั้น นั่นก็คือนะนนเขาไม่ได้บอกนะแต่ว่าเราก็คงพอเดาได้นะคือต้องออกกำลังกายสม่ําเสมอรู้จับควบคุมอาหารนะไม่กินตามใจปากนะเป็นต้นนะอันนี้เรียกว่าเราสามารถจะมีชีวิตแบบนั้นได้ไม่ใช่เพราะโชคนะแต่เพราะกรรมกรรมนี่หมายถึงการกระทำนะไม่ใช่ของใครของเราเอง อันนี้มันก็เป็นข้อคิดที่ดีนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยสังคมของเราเป็นสังคมผู้สูงวัยคนก็แก่มากขึ้นถึงแม้จะมีอายุยืนยาวมากขึ้นแต่ปรากฏว่าก็ลงเอยช่วง1 0ปี15ปี20สปีสุดท้ายของชีวิตนี่มันมันไม่ได้เป็นชีวิตที่ผาสุกเลย เจ็บป่วยด้วยโรคนั้นโรคนี้สารพัดแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องลงเอยแบบนั้นก็ได้นะถ้าว่าเรารู้จักนะใช้ช่วยมันถูกต้องใคลิปนี้เนี่ยถ้ามองให้ดีเนี่ยมันกำลังบอกเราว่าเนี่ยเรามีทางเลือกนะเรามีทางเลือก ทางเรื่องนึงก็เป็นทางไปสู่ความทุกข์ที่หนักขึ้นเรื่อยๆอีกทางเรื่องนึงก็เป็นทางเลือกที่มีความทุกข์น้อยบางคนเราเนี่ยเมื่อเกิดแล้วมันก็หนีความแก่ไม่พ้นะแต่เราสามารถจะเลือกได้ว่าจะแก่อย่งมีคุณภาพนะหรือว่าจะแก่แบบไม่มีคุณภาพอยู่ไปวันๆนะต้องสู้รบกับ ความเจ็บป่วยด้วยความทุกข์ทั้งกายและทั้งใจจริงๆทางเรื่องคนเรามันไม่ได้มีแค่ว่าเราจะแก่แบบไหนเท่านั้นนะแม้เราจะยังหนุ่มยังสาวเราก็ยังมีทางเลือกมากมายหรือว่าทางเลือกในทุกขั้นตอนของชีวิตอาจจะไม่ใช่เป็นการเลือกว่าจะแก่แบบไหนแต่อาจจะหมายถึงการเลือกว่าเราจะมีชีวิต ในแต่ละวันแบบไหนมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยความผิดหวังอุปสรรคเยอะแยะหรือว่าเป็นชีว่าเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยเคราะห์หรือว่ามีชีวิตที่ปลอดโปร่งราบรื่นเนะมื่มีเรื่องเล่านะของครอบครัวหนึ่งนี พ่อแม่แล้วก็ลูกลูกก็อายุประมาณ1ักสิบขวบเช้าวันหนึ่งกำลังกินข้าวเพื่อที่จะไปทำงานแล้วไปโรงเรียนลูกสาวเนี่ยก็บังเอิญทำแก้วนะน้ำเนี่ยหล่นจากมือขณะที่กินอาหารไอ้แก้วนั้นมันก็ แก้วใส่นมด้วยพอมันตกพื้นเนี่ยมันก็แตกแล้วก็นมก็กระจายพื้นก็เลอะเทอะพ่อเห็นนี่พ่อก็ด่าว่าลูกเลยลูกก็เลยร้องไห้แม่ก็เลยต่อว่าพ่อว่าทําไมไปว่าลูกแรงๆแบบนั้นพ่อถูกภรรยาว่าสามีก็เลยตอบโต้ เกิดการโตเถียงกันระหว่างสามีกับภรรยาหรือระหว่างพ่อกับแม่ของเด็กเถียงกันอยู่นานนะจนรทั่งมาได้สติว่าเนี่ยมันต้องออกจากบ้านแล้วผู้เป็นพ่อนี่ก็หรือผู้เป็นสามีก็รีบขึ้นไปเก็บเอกสารใส่กระเป๋าเพราะเป็นนักธุรกิจ แล้วก็รีบพาลูกสาวนี่ไปส่งโรงเรียนแต่กรุงเทพนี่นะถ้าออกช้าสัก10นาทีเนี่ยมันก็มีผลมากแล้วก็คือรถติดหนักเลยปกว่านายสุก็ส่งลูกสาวไม่ทั น, นลูกสาวไปโรงเรียนสายถูกครูทำโทษเพราะไปโรงเรียนที่เขาเคร่งครัดมากส่วนตัวเองนี่ก็ไปทำงานสาย เหมือนกันแล้ววัานนั้นก็มีประชุมสาคัญด้วยนะเจ้านายกับผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ต้องไปประชุมกับลูกค้าแต่ปรากฏว่าเอกาสารเอามาไม่ครบเลยประชุมกันไม่ได้ไม่หาไม่สามารถที่จะปิดดิวหาข้อสรุปได้เจ้านายก็ว่าเขาเนี่ยว่าทำไมทำงานบกพร่อง เรื่องสำคัญแบบนี้นอกจากมาสายแล้วนะยังไม่สามารถที่จะนะสรุปหาข้อสรุปได้ถูกเจ้านายด่าว่าก็เลยอารมณ์เสียบ่ายวันนั้นก็เลยทํางานอย่างไม่ค่อยมีสมาธิไม่มีกติกาใจจะทํางานเพื่อนมาเซวตามปกติแต่คราวนี้เขาไม่มีอารมณ์เล่นด้วยเขาก็ด่ากลับก็เลยทะเลาะกับเพื่อน ทะเลาะกันยาวเลยจนกระทั่งได้เวลาเลิกงานเป็นว่าวันนั้นนี่งานก็เสียแล้วก็ทะเลาะกับเพื่อนขับรถกลับบ้านด้วยความอารมณ์เสียงุนหญิดก็ปรากฏรถไปเฉียวนะก็เสียเวลาเสียเวลาอยู่บนถนนอยู่นานนะกว่าจะไปถึงบ้านก็ค่แล้ว ไปถึงบ้านนี่ก็ไม่มีอารมณ์จะคุยกับลูกไ ม, ม่อารคณมจะคุยกับภรรยาแถมโทษลูกสาวด้วยนะว่าทำให้เกิดเรื่องเกิดราวทั้งวันก็ต่อว่าลูกสาวไปกยกใหญ่แล้วก็เถียงกับภรรยาตามเคยสุดท้ายคืนนั้นก็ทุกคนเข้านอนอยังไม่มีความสุขเลยอันนี้เป็นเป็นวันของ เป็นวันที่แสนจะย่ำแย่ของชายคนนั้นแต่ที่จริงมันไม่จะเป็นต้องลงเอ่ยแบบนี้ก็ได้นะมันมีความเป็นไปได้หรือทางเลยทางหนึ่งนะคือว่าขณะที่กินข้าวแล้วลูกสาวเนี่ยเกิดทำแก้วน้ำตกพ่อก็ได้สติไม่โกรธลูกก็เตือนลูกดีๆให้เตือนลูกว่าให มีสติเวลากินอาหารพูดดีๆกับลูกก็ไม่มีการทะเลาะ ก, กับภรรยาลูกก็ไม่ร้องไห้พอได้เวลาออกจากบ้านพ่อก็ไปเก็บเอกสารแต่เนื่องจากไม่เร่งรีบก็เกเก็บเอกสารได้ครบถึงเวลาพาลูกไปส่งโรงเรียนก็ไปทันเวลาลูกไม่ถูกครูลงโทษ ตัวเองก็ไปประชุมทันและเนื่องจากมีเอกสารพลักพร้อมประชุมวันนั้นก็เลยจบลงได้ดีปิดเดียวได้เจ้านายก็ชมเขาก็อารมณ์ดีทำงานอย่างมีความสุขถึงเวลาเพื่อนมาเซลาก็ก็เซลลากับเฮฮากั น, นเรียกว่าชื่นมื่นถึงเวลาเลิกงานก็ขับรถ กลับถึงบ้านได้อย่างราบรื่นไม่มีเรื่องเหตุร้ายเจอลูกก็ยิ้มให้ลูกนะเจอภรรยาก็ทักทายกันอย่างด้วยรอยยิ้มก็เป็นอดว่าวันนั้นนะทุกคนเข้านอนอย่างมีความสุขอันนี้เป็นเรื่องของทางเลือกนะว่าคนเราเนี่ยมันจะเราสามารถจะเลือกได้นะว่าเราจะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราจะเลือกแบบไหนนะวันที่ ราบรื่นนะหรือวันที่เต็มไปด้วยอุปสรรคหรือจะเรียกว่าเป็นวันสวยก็ได้จริงๆจะเรียกว่าเป็นวันสวยก็ไม่ได้นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นแค่เหตุการณ์เดียวเหตุการณ์ที่สำคัญคือตอนที่ลูกสาวทำแก้วน้ำตกเนี่ยจุดเปลี่ยนอยู่ตรงเนี้ยว่าพ่อเนี่ยทายังไงกับลูกสาวมีสติหรือขาดสติ ถ้ามีสติไม่ต่อว่าลูกนะชีวิตวันนั้นก็ราบรื่นแต่เพราะไปต่อว่าลูกชีวิตวันนั้นก็เลยเกิดการกระทบกระเทือนผิดเทียนก็ไปหมดจุดเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้ที่การที่ลูกสาวเนี่ยทำแก้วน้ำตกแต่อยู่ที่พ่อเนีนะ่ว่ามีสติหรือไม่นะอันนี้พูดอย่างนีคือว่าคนที่เป็นพ่อนี่ก็เลือกได้นะว่าจะ ให้ช่วยขอตัวเองแต่ละวันเป็นไปในทางไหนนะไปสู่ความยุ่งยากหรือว่ากลายเป็นวันซวยหรือว่าไปสู่ความราบรื่นหรือเป็นวันที่ดีวันหนึ่งนั่นจะว่าไปแล้วคนเราเนี่ยมันเลือกได้เสมอนะว่าเราจะให้ช่วยของเราแต่ละวันเป็นอย่างไรหรือแม้กระทั่งว่าเมื่อเจอเหตุเหตุร้ายเราอยากจะให้มันลงเอยแบบไหน มันเลือกได้มีเด็กคนหนึ่งนะเป็นเด็กไต้วานอายุประมาณ9้าขวบชื่อโจต้ากวนเนี่ยเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งที่กระดูกแล้วต้องไปผ่าเด็กคนนี้เนี่ยแกก็เป็นคนช่างคิดนะและช่างเขียนด้วยแกก็บันทึกเรื่องราวของแกเนี่ยช่วงที่เจ็บป่วยเขียนด้วยข้อความที่สั้นๆนนะแต่ว่ามีความหมายที่อเลึ่องลกินใจ อย่างเช่นตอนที่แกบอกว่าเนี่ยตอนที่ไปผ่าตัดครั้งแรกเนี่ยแกเขียนว่าพ่อแม่ปกครองผมเข้าห้องผ่าตัดนะครั้งนั้นเนี่ยผมมีเด็กชายกังวลเป็นเพื่อนบ้านแล้วมีเด็กสาวสงบเป็นเพื่อนบ้านเหมือนกันผมเลือกเด็กสาวสงบเป็นเพื่อนเข้าห้องผ่าตัดต่อมาอีกนั้นสามส่เดือนแกเขียนนะ พ่อแม่อุ้มผมเข้าห้องผ่าตัดครั้งที่สองครั้งแรกจะประคองนะครั้งที่สองนี้อุ้มละนะแกะเขียนว่าเนี่ยคุณณาวาดวันเป็นเพื่อนบ้านผมคุณอามั่นคงก็เป็นเพื่อนบ้านผมผมเลือกคุณอามั่นคงเป็นเพื่อนเข้าห้องผ่าตัดต่อมาอีสีหเดือนนะแกะเขียนว่าเนี่ยพ่อแม่ให้ผมนะขี่คอ เข้าห้องผ่าตัดครั้งที่สครเาเนี่ขี่คอแล้วนะคุณความตายเป็นเพื่อนบ้านคุณอยู่รอบก็บเป็นเพื่อนบ้านผมผมเลือกคุณอยู่รอบเป็นเพื่อนบ้านเข้าห้องผ่าตัดในขณะที่เจอเหตุร้ายต้องเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยโจต้ากลัวแกก็ยังรู้เลยนะว่าหรือแกก็เชื่อเลยนะว่ามันมันเลือกได้ระหว่างความกังวลกับความสงบ เราจะเลือกอะไรระหว่างความหวาดหวั่นกับความมั่นคงเราจะเลือกอะไรมันไม่จาเป็นว่าจะต้องลงเอยด้วยความหวาดหวั่นจะต้องลงเอยด้วยความกลัวรุอลงเอยด้วยความตายอย่างเดียวมันเลือกได้นะเหตุการณ์ <S <S เหตุร้ายนี่บางครั้งเราก็เลือกไม่ได้นะความเจ็บป่วยก็ดีเราเลือกไม่ได้ในบางครั้งแต่เราเลือกได้ว่าเราจะเผชิญกับมันอย่างไร หรือคนที่อยู่รอบข้างเราบางทบีบ่อยครั้งเราก็ไม่สามารถจะ บ, บังคับบัญชาเขาได้ลูกสาวทําแก้วน้ําตกเนี่ยนี่เราบังคับไม่ได้แต่ว่าเมื่อเขาทําแก้วน้ําตกแล้วเนี่ยพูดเป็นพ่อเนี่ยสามารถจะเลือกได้ว่าจะมีสติพูดกับลูกดีๆหรือขาดสติแล้วก็ด่าว่าลูกแรงแ อันนี้เป็นสิ่งที่เราเลือกได้นะแต่จริงถ้าเราคิดต่อไปเนี่ย้กระทั่งถึงวันที่เราจะต้องประสบความสูญเสียเราก็ยังเลือกได้นะระหว่างคนที่ทุกระทมเศร้าโศกติยอกชกหัวกับคนที่สงบนิ่งมั่นคงไม่หวันไหวแต่การที่เราจะเลือกแบบนี้ได้เนี่ย มันต้องลงทุนลงแรงด้วยไม่ใช่ว่าแค่อยากเฉยๆแต่ว่าต้องลงทุนด้วยการปฏิบัตินะเหมือนกับถ้าอยากจะให้วัยชราของเราเป็นวัยที่กระฉับกระเฉงนะมีสุขภาพดีไม่นอนส ม, มนก็ต้องออกกาลังกายตั้งแต่ตอนนี้หรือออกกาลังกายสม่าเสมอคุมควบคุมอาหารนะตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเช่นเดียวกันนะ กว่าเราปรารถนาที่จะรักษาใจใสงบมั่นคงเมื่อยามที่ต้องสูญเสียหรือแม้กระทั่งเมื่อยามที่เราเผชิญหน้าออความตายเนี่ยเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เริ่มตัดสินใจตั้งแต่ตอนนี้ว่าเราจะฝึกตนฝึกใจมากน้อยเพียงใดแค่ออกกำลังกายคุมอาหารคงไม่พอมันก็มีประโยชน์สาหรับการมีสุขภาพดีในวัยชารา แต่ว่าถ้าหากว่าต้องการที่จะมีสุขภาพจิตเป็นปกตินะไม่จมอยู่ในความทุกข์มันก็ต้องฝึกใจด้วยแล้วก็ฝึกนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มาฝึกเอาตอนที่ใกล้าจะสูญเสียเพราะเราไม่รู้วจะสูญเสียเมื่อไหร่หรือมาฝึกเอาตอนใกล้จะตายเพราะบางทีอาจจะมไม่ในเวลาฝึกก็ได้แต่ต้องทำในตอนนี้นะมันต้องตัดสินใจนะั้นตั้งแต่ตอนนี้นะว่าเราจะเลือกนะชาไม่เลือกจะเลือก สถานการณ์หรือฉากทัดแบบไหนถ้าเราต้องการเลือกสถานการณ์หรือฉากทัดนะที่เป็นความสงบร่มเย็นเป็นปกติไม่จมอยู่ในความทุกข์เนี่ยมันก็ต้องเริ่มฝึกจิตฝึกใจตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะเริ่มทำความเพียรตั้งแต่ตอนนี้อันนี้คือสิ่งที่เราเลือกได้ข้าวนี้วบัทอดนี้นะ